การให้อภัยเชิงสร้างสารรค์อาตมาได้ยินโยมพูดนะว่าการให้อภัยจะได้ผลก็แต่ในวัดเท่านั้นในชีวิตจริงหากเราให้อภัยกันแบบนั้นเราก็มีแต่จะโดนเอาเปรียบคนอื่นๆจะกระทึบเราพวกเขาจะคิดแต่ว่า เราน่ะอ่อนแออาตจจมาเห็นด้วยการให้อภัยเช่นนั้นยากที่จะได้ผลดังคำกล่าวที่ว่าผู้ที่หันแก้มอีกข้างวงเล็บให้เขาตกจะต้องลงเอยด้วยการไปหาหมอฟันถึงสองครั้งแทนที่จะไปแค่ครั้งเดียว ในเรื่องที่แล้วรัฐบาลไทยทำมากกว่าการให้อภัยด้วยการเนรโทศกรรมโดยไม่มีเงื่อนไขโดยได้แก้ไขที่รากเหง้าของปัญหาคือความยากจนและได้รับมือกับมันอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเป็นเหตุให้การเนรโทศกรรมได้ผลอาตมาเรียกการให้อภัยเช่นนั้นว่าการให้อภัยเชิงสร้างสรรค์ สร้างสรรค์หมายถึงการเสริมสร้างสิ่งที่ดีงามที่เราต้องการให้มีให้เป็นการให้อภัยหมายถึงการละสิ่งไม่ดีที่เป็นส่วนของปัญหาทิ้งไปเสียไม่ยึดมันไว้แล้วก้าวต่อไปยกตัวอย่างเรื่องในสวนการรดน้ำเฉพาะวัชพืช เปรียบเสมือนการเพาะเลี้ยงปัญหาให้เจริญเติบโตการไม่รดน้ําเลยเปรียบเสมือนการให้อภัยเฉยๆส่วนการรดน้ําเฉพาะดอกไม้โดยไม่รดน้ําวัชพืชเป็นสัญลักษณ์ของการให้อภัยเชิงสร้างสรรค์เมื่อประมาณสิบปีที่แล้ว หลังจากที่อาตมาเทศจบลงในคืนวันศุกร์หนึ่งที่เมืองเพิรหญิงคนหนึ่งเข้ามาคุยกับอาตมาเธอผู้นี้มาฟังอาตมาเทศประจําอาทิตย์อย่างสม่าเสมอเป็นเวลานานมากเท่าที่อาตมาจะสามารถจําได้แต่นี่เป็นครั้งแรกที่เธอเข้ามาพูดกับอาตมาเธอบอกว่าเธอต้องการจะขอบคุณอย่างมากๆ ไม่เฉพาะแต่อาตมาเท่านั้นแต่กับพระทุกๆองค์ที่เคยเทศที่ศูนย์ของเราแล้วเธอก็อธิบายว่าเพราะเหตุใดเธอเริ่มมาที่ศูนย์ของเราเมื่อเจ็ดปีที่แล้วเธอสารภาพว่าในตอนนั้นเธอไม่ได้สนใจอะไรนักในพระพุทธศาสนาหรือแม้แต่การปฏิบัติภาวนา เหตุผลสำคัญที่เธอเข้ามาร่วมกับเรานั้นเพียงเพื่อใช้เป็นข้ออ้างที่เธอจะได้ออกจากบ้านเท่านั้นสามีของเธอชอบใช้กำลังรุนแรงและเธอก็ตกเป็นเหยื่อการประทุสลายภายในครอบครัวที่น่ากลัวนี้ในสมัยนั้นยังไม่มีองค์กรใดๆที่จะให้ความช่วยเหลือผู้เคราะหร้ายเหล่านี้ ในสภาวะเช่นกาต้มน้ําที่กําลังเดือดพล่านไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกเธอไม่สามารถจะเห็นชัดพอที่จะเดินออกไปจากสภาพที่เป็นอยู่ตลอดกาลเธอจึงได้แต่มาที่ศูนย์พุทธของเราเพื่อความคิดแค่ว่าเวลาสองชั่วโมงที่ศูนย์นี้คือเวลาสองชั่วโมงที่เธอจะรอดพ้นจากการถูกทุบตี สิ่งที่เธอได้ฟังจากสูตรของเราได้เปลี่ยนชีวิตของเธอเธอฟังพระท่านบรรยายเรื่องการให้อภัยเชิงสร้างสรรค์เธอจึงตัดสินใจที่จะทดลองกับสามีของเธอเธอเล่าให้อาตมาฟังว่าทุกๆครั้งที่เขาตีเธอเธอได้ให้อภัยเขาและปล่อยวางเธอทำเช่นนั้นได้อย่างไรมีแต่เธอเองเท่านั้นที่จะรู้ และเมื่อใดที่สามีของเธอทำอะไรหรือพูดอะไรที่แสดงน้ำใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามเธอจะกอดเขาหรือจูบเขาหรือแสดงอาการอย่างใดอย่างหนึง่งเพื่อให้เขาได้รู้ว่าความมีน้ำใจนั้นมีความหมายต่อเธอมากเพียงใดเธอสานึกในคุณค่าของมันเสมอเธอถอนใจ แล้วจึงเล่าต่อเธอต้องใช้เวลายาวนานถึงเจ็ดปีเมื่อพูดถึงตรงนี้ดวงตาของเธอก็เปียกชุ่มไปด้วยน้ำตาเช่นเดียวกับดวงตาของอาตมาเธอบอกว่าเจ็ดปีที่แสนยาวนานบัดนี้ท่านจะจำชายคนนั้นไม่ได้เลยเขาได้เปลี่ยนไปแล้วจริงๆเดี๋ยวนี้เรามีความรัก ความผูกพันที่มีค่ายิ่งต่อกันและมีลูกที่น่ารักมากสองคนสีหน้าของเธอแวววาวด้วยประกายสดใสของผู้มีใจบริสุทธิ์อาตมารู้สึกอยากจะกุกเข่าคารวะเธอเธอหยุดอาตมาไว้ด้วยการพูดต่อว่าท่านเห็นมานั่งตัวนั้นไหมคะอาทิตนี้เขาตอกอีไม้ตัวนั้นไว้ให้ดิฉันใช้นั่งสมาธิ เพื่อจะเซอร์ไพรส์ดิฉันนี่ถ้าเป็นเมื่อ7ปีก่อนแล้วก็เขาก็คงได้แต่ใช้มันทุ่มใส่ดิฉันเท่านั้นเองก้อนเะอื่นในลำคอของอาตมาถูกกลืนหายไปเมื่ออาตมาหัวเราะไปกับเธอผู้นั้นอาตมาชื่นชมผู้หญิงคนนั้นเธอหาความสุขได้ด้วยตัวเธอเองซึ่งอาตมาสามารถบอกได้จากความสดใสบนใบหน้าของเธอว่า ความสุขนั้นมากมายทีเดียวและเธอก็ได้เปลี่ยนคนไร้ายที่น่ากลัวมาเป็นชายที่มีไมตรีจิตเธอได้ช่วยคนคนหนึ่งด้วยความเมตตาเป็นอย่างยิ่งนี่เป็นตัวอย่างสุดโตงเรื่องหนึ่งของการให้อภัยเชิญสร้างสรรค์ซึ่งขอแ น, นะนําเฉพาะผู้ที่จะมุ่งหน้าสู่ความเป็นอรหันต์อย่างไรก็ตาม มันแสดงให้เห็นถึงผลที่จะได้รับจากการให้อภัยที่ทำพร้อมกับการให้กำลังใจในความถูกต้องดีงาม